ทีหวงเรือนสัมผัสสยองเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของหญิงคนหนึ่งเมื่อสมัยยังเป็นเด็กเล็กๆคงประมาณอายุแปดถึงเก้าขวบ มันเกิดขึ้นมานานประมาณสามสิบถึงสี่สิบปีแล้วแต่ภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นยังจำติดตาอยู่ตลอดเวลาเรื่องมีอยู่ว่าสมัยอยู่ปสองโรงเรียนได้ปิดภาคเรียนช่วงฤดูร้อนประมาณสองเดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากสำหรับเด็กๆครอบครัวของเราซึ่งเป็นชาวสวนและเป็นครอบครัวใหญ่มีพี่น้องหลายคน พ่อแม่จึงต้องทำงานอย่างหนักปลูกสารพัดผักเพื่อทำขายและนำเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวพวกพี่ๆบางคนก็ไปรับจ้างทำงานในตัวเมืองบางคนก็ช่วยพ่อแม่ทำสวนส่วนฉันก็ยังเล็กอยู่อยู่ช่วยงานสวนไม่เคยได้ไปทำสวนกับพ่อแม่ที่ไร่ก็กลายเป็นภาระที่จะต้องคอยระวังไม่ให้ฉันตกน้ำตกท่า หรือโดนสัตว์และแมลงกัดต่อยมันจึงทำให้พ่อแม่เหนื่อยมากกว่าเดิมคืนหนึ่งฉันได้ยินพ่อคุยกับแม่ว่าจะส่งฉันไปอยู่กับย่าในช่วงปิดเทอมซึ่งยา่าอาศัยอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแม่ก็เห็นดีเห็นงามด้วยพ่อและแม่ไม่ถามความเห็นฉันเลยสักนิดว่าอยากไปอยู่กับย่าไหมแต่ในใจฉันก็ดีใจ อยากไปเห็นบ้านยาเพราะไม่เคยไปเลยสักครั้งรุ่งเชา้าแม่เก็บเสื้อผ้าของฉันเท่าที่จำเป็นใส่ถุงเอาของฝากอย่างกล้วยน้ำวาและผักที่เก็บมาจากสวนติดมือไปด้วยพ่อและฉันเดินทางไปบ้านยาโดยให้ฉันซ้อนหายจั ก, กรยานไปตามถนนเล็กๆระหว่างหมู่บ้านซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยต่อฟาง พอเป็นฤ ด, ดูหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเมื่อมองไปก็แสนจะแห้งแลงถ้าเดินทางกลางคืนบรรยากาศคงชวนขนลุกหน้าดูฉันตื่นเต้นมากที่ได้มาบ้านยาซึ่งนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นแบบไหนพ่อกับยาติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอแต่ตัวฉันเองไม่เคยมาเยี่ยมยาเลยอาจเพราะยังเด็กเกินไป เมื่อเข้าไปบริเวณบ้านก็มองเห็นบ้านของยาเป็นบ้านไม้โบราณใต้ถุนสูงมีเสาบ้านมากมายเพราะเป็นบ้านหลังใหญ่เสาแต่ละต้นจึงมีขนาดใหญ่ตามไปด้วยขนาดที่ฉันไม่สามารถโอบรอบได้ในขณะที่ฉันกําลังชมบ้านหลังนี้ด้วยความตื่นตาตื่นใจพลันก็ได้ยินเสียงเรียกของยา ย่านวนแกดูแก่มากๆเหมือนคนโบราณรูปร่างสูงใหญ่ผมขาวเกล้าวมวยแบบคนเหนือผิวหนังเหี่ยวยน่นมีริ้วรอยของการเวลาปรากฏให้เห็นท่านนุง่งผ้าหุงลายขวางสวมเสื้อสีเทาย่านวนพาฉันเดินชมสวนในบริเวณบ้านจำได้ว่ามีต้นทับทิมติดผลอยู่เต็มต้น จากนั้นจึงพากันเดินขึ้นไปบนบ้านฉันยังจำได้ดีว่าพื้นบ้านของย่านวลเป็นไม้กระดานแผ่นใหญ่มากขณะที่ชมบ้านอยู่นั้นก็มีย่าอีกคนซึ่งเป็นน้องสาวของย่านวลแก่ชื่อย่าจาท่านก็เข้ามาตอนรับย่าจาอยู่ในวัยชราแล้วเช่นกันผมสีขาวเป็นดอกเหลา่า แต่ไว้ผมสัน้นนุ่งผ้าถุงยาวกลอมข้อเทา้าฉันคิดในใจว่าปิดเทอมนี้ฉันต้องอยู่กับคนแก่ตั้งสองคนไม่มีเด็กรุ่นเดียวกันให้เล่นด้วยเลยพอ่อคงเข้าใจความรู้สึกของฉันก็เลยพูดกับฉันว่าถ้าอยากเล่นกับเด็กๆก็ให้ลงไปเล่นกับเด็กข้างบ้านได้ฉันจึงรู้สึกดีขึ้นมาหน่อย แล้วพ่อก็พูดฝากฉันกับยา่าสักพักก็ขอตัวลากลับฉันไม่อยากให้พ่อกลับเลยแต่ก็ต้องยอมเพราะตั้งใจมาแล้วย่านวลเป็นคนใจดีมากท่านให้ฉันนอนพักอยู่กับท่านในห้องใหญ่ฉันก็เลยเอาเสื้อผ้าออกจากถุงและพับใส่ในตะกร้าผ้าย่านวลแกเป็นคนเรียบง่าย ในห้องนั้นจึงไม่มีข้าวของอะไรมากนักมีเพียงตะเกียงน้ามันกาดตั้งอยู่หนึ่งอันเพื่อใช้ให้แสงสว่างในตอนกลางคืนเพราะสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตรงมุมห้องมีฟูกที่นอนวางอยู่บนพื้นและมีมุ้งเสียขาวคุ่นกางครอบที่นอนเอาไว้คืนนี้ฉันจะต้องนอนกับยานวนวล ส่วนย่าจ่า ก, ก็นอนอีกห้องหนึ่งหลังจะ ก, กินข้าวเย็นเสร็จแล้วฉันก็ช่วยย่าจ่าล้างจานสมัยนั้นยังไม่มีทีวีให้ดูเหมือนสมัยนี้ยามค่ําคืนทุกอย่างจึงเงียบเงาวังเวงความมืดปกคลุมทั้งบ้านในเวลาแค่ทุ่มกว่ากว่าย่านวลจึงชวนฉันเข้านอนฉันเข้าไปนอนในมุ้งกับยา่าไม่ทันไร หลังจากที่ย่าเอนตัวลงนอนก็พล่อยหลับไปฉันเองก็พยายามข่มตานอนแต่ยังไม่ทันได้ฝันหวานก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นขณะที่ฉันกำลังเค้มใกล้จะหลับสายตาก็มองไปที่ประตูห้องนอนเห็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งผมขาวยาวสยายนุ่งห่มชุดขาวคล้ายแม่ชีแกเดินผ่านประตูเข้ามา ทั้งทั้งที่ก่อนเข้านอนย่าหนนเป็นคนปิดประตูลงกรอนแล้วเรียบร้อยแต่หญิงแก่คนนั้นกลับเดินทะลุผ่านประตูเข้ามาได้ฉันคิดในใจว่าต้องเป็นผีแน่ๆตัวฉันเริ่มแข็งขยับตัวไม่ได้จะร้องเรียกให้ใครมาช่วยก็ไม่มีเสียงได้แต่จ้องมองผู้หญิงคนนั้นที่กำลังเดินตรงมาหาฉัน และก้มมองดูฉันด้วยใบหน้าเหี่ยวยน่นน่ากลัวแต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือสายตาที่จ้องเขม็งมายัางฉันมันช่างดุ ด, ดันน่าขนลุกเป็นที่สุดหญิงชะาคนนั้นค่อยๆนั่งลงข้างที่นอนใกล้กับที่ฉันนอนอยู่มีเพียงมุ้งบางๆกั้นระหว่างกลางเท่านั้นฉัน ไม่อาจลาดสายตาจากภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าได้ทันใดนั่นเองหญิงแก่ก็เอื้อมมือมาจับแขนขวาของฉันที่ติดกับมุงและมีเสียงลอดจากไรฟันออกมาว่ามึงมาอยู่ทำไมฉันตกใจขนลุกทั่วทั้งตัวพยายามรวบรวมความกล้าใช้มือซ้ายจับมือหญิงแก่ผ่านมุง ฉันจับไว้แน่นพร้อมทั้งตะโกนสุดเสียงว่าย่าฉันจับผีได้แล้วพอย่าได้ยินเสียงจึงลุกขึ้นมาและถามว่าร้องทําไมฉันจึงบอกว่าฉันจับมือผีได้อยู่นี่ไงแต่พอย่านวลขอดูกลับกลายเป็นว่ามือซ้ายของฉันกําลังจับข้อมือขวาของตนเองอยู่ แต่ที่น่าแปลกก็คือมีผ้ามุงติดข้อมืออยู่ด้วยย่านวลคงจะรู้อะไรบางอย่างจึงลุกขึ้นจุดตะเกียงน้ำมันกาดและนำธูปหนึ่งดอกพาฉันเดินลงไปที่ตรงมุมสวนฉันเพิ่งสังเกตว่ามีหอผีตั้งอยู่ย่านวลบอกว่าเป็นหอผีปู่ย่าตายายที่ดูแลบ้านนี้อยู่ ย่าโนนจุดธูปแล้ให้ชั้นผนมมือไหวาจากนั้นย่าโนนก็กล่าวว่าขณะ น, นี้มีลูกหลานได้มาพักอาศัยอยู่ด้วยหนึ่งคนให้ผีปู่ย่าตายายปก ป, ป, ป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่ามารบกวนหรือรังควานอีกเลยพอเสร็ จ, จา ก, การบอกกล่าวแล้วย่าโนนก็หันมาบอกกับฉันว่าต่อไปไม่มีอะไรแล้ว ขุยย่าตายายรับรู้แล้วย่านวลลืมบอกท่านไปท่านคงห่วงบ้านไม่อยากให้ใครมาอยู่แล้วก็จริงอย่างที่ย่านวลบอกฉันอยู่กับย่านวลตลอดระยะเวลาช่วงปิดเทอมซึ่งก็เกือบเกือบสองเดือนมันก็ไม่มีเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นอีกเลยแต่ภาพชวนขวัญผวาในคืนนั้นฉันยังจาติดตาได้ไม่เคยลืม สมภัสยอง